เคยจีนเมื่อถักร้อยสองรอยปีก่อนชายคนหนึ่งเนี่ยตาบอดแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติวันหนึ่งก็เดินไปเยี่ยมเพื่อนนะซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันนะแต่ก็เดินไกลสักหน่อยถ้าใช้ตาบอดคนนี้ก็เดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้า ถึงบ้านเพื่อนก็สนทนากับเพื่อนหลายเรื่องหลายราวคุยกันถูกคอจนกระทั่งคำ่ำก็ได้เวลาที่ชายตาบอดจะกลับบ้านแต่ก่อนที่แกจะเดินออกจากบ้านเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ยื่นโคมให้โคมนี้เป็นโคมที่จุดไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ชายตาก็บอ ก, กบอกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องใช้โคมหรอกเดินได้โดยที่ไม่เห็นอะไรนะไม่ต้องใช้แสงสว่างก็เดินได้ทางเส้นนี้ฉันก็คุ้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยที่ให้โคมเนี่ยนะก็เพื่อว่าเวลาคุณเดินกลับบ้านเนี่ยตามตรอกซอกซอย มันจะได้ให้แสงสว่างคนที่เขาเดินสวนคุณมาเนี่ยคอยเห็นทางเขาก็จะได้ไม่เดินชนคุณไงล่ะอ่าเหตุผลนี้ก็ทำให้ชายตาบอดเนี่ยถือโคมกลับบ้านท่องในที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไม่ไปต้องใช้โคมนั่นเลยรอ่างที่เดินกลับบ้านนี่ก็มี คนหลายคนเดินสวนแพรพะอมันเป็นตอกซอกซอยที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แต่ว่าพอเดินมาพักนึงเนี่ยผูกมีผู้ชายยังเดินชนเาชายตาบอดอย่างแรงเลยจนล้มเลยนะชายตาบอดก็โกรธมากนะ ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยแกตาบอดเรืร่องไงแกไม่เห็นเหลือโคมเนี่ยที่ฉันถือเนี่ยายคนที่เดินชนชายตาบอดนี่ก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษจริงๆแต่โคมที่พี่จุดเนี่ยมันดับไปนานแล้วนะเรื่องก็จบท่านี้นะฟังแล้วเนี่ยเราได้ได้แง่คิดอะไรมาเรื่องเนี้ย จ, จะเป็นนิทานนะแต่มันไม่ใช่นิทานประเภทว่าสอน บอกเราในตอนท้ายว่านิทาื่องนี้สอนอะไรแต่ว่ามันจบลงโดยให้เราคิดเองฟังเรื่องนี้แล้วนี่เราได้แง่คิดอะไรนะแง่คิดอย่างนี้คือว่าคนเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนเราเราควรจะคิดถึงคนอื่นด้วยของบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันมีเพียรกับคนอื่น ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนะมันก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเดียว น, นะมันเป็นประโยชน์กับเราด้วยอย่างชายตาบอดเนี่ยเขาไม่มต้องใช้โคมเลยนะในการเดินกลับบ้านยามค่าคืนแต่เพื่อนเนี่ยเขายังคอยให้ถือโคมเพื่ออะไรนะั้นก็เพื่อประโยชน์ของคนอื่นที่เข้าตาดีและเขาต้องใช้แสงสว่างนะในการเดินสัญจร การที่ชายตาบอดเนี่ยถือโคมเนี่ยนะไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะแต่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นแต่สุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะพอถาาว่าคนที่เขาเดินสวนมาเนี่ยเห็นชายตาบอถือโคมเขาก็ไม่เดินชนนั้นทีแรกชายตาบอดเนี่ยก็เดินได้สะดวกสบายนะไม่มีใครชนก็เพราะว่าคนอื่นเขาเห็นแสงสว่างจากโคมนั้น อันนี้เขสอนนะว่าคนเราเนี่ยนะควรจะนึกถึงผู้อื่นของบางอย่างแม้เราไม่จําเป็นแต่ว่ามันจป็ประโยชน์กับผู้อื่นก็คนทําหรือบางอย่างอาจจะไม่สะดวกกับเราแต่ว่ามันช่วยคนอื่นได้เพราะว่าอย่างเช่นการถือโคมเนี่ยนะมันคงไม่สะดวกสบายเท่ากับเดินตัวเปล่านะแต่ว่าเมื่อเดินถือโคมแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่เดินสวนมาด้วยแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นประโยชน์กับ ชายตาบอดนั่นเองนะอย่างที่พูดไปแล้วไม่มีใครมาเดินชนในชื่องคนเราเนี่ยเราควรจะคิดถึงคนอื่นการที่สังคมหรือบ้านเมืองเนี่ยมันเรียกว่าหน้าอยู่เนี่ยก็เพราะผู้คนเนี่ยไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวการกระทำบางอย่างเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อผู้อื่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลาเรากินอะไรนะมันมีขยะอยู่ในมือเนี่ยจะเป็นถุงพลาสติกจะเป็นนมกล่องหรือจะเป็นขวดขวดน้ำที่กลายเป็นขยะเรียบร้อยแล้วทำไมเราควรจะถือขยะนั้นไว้ไว้กับตัวจนกว่าจะเห็นทังขยะจึงหย่อนลงถังขยะ ที่จริงถ้าเรานึกถึงแต่ตัวเองนะเราก็แค่โยนมันทิ้งข้างทางสบายดีนะหลายคนก็ทำอย่างนั้นนะคนเราถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเราไม่ไม่เก็บขยะไว้กับตัวแล้วก็รอจนกว่าจะเดินเห็นนังขยะแต่คนจานวนมากเนี่ยเขาก็นะเก็บขยะเอาไว้เพื่อที่จะไปทิ้งลงในตังขยะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่านึกถึงผู้อื่น นึกถึงคนที่เก็บขยะบ้างหรือนึกถึงสังคมส่วนรวมนะว่าถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่มันก็จะเละเทอะไม่น่าดูบางคนนี่ก็คิดถึงพนัก ง, งานเก็บขยะหรือว่าคิดถึงพนัก ง, งานทำความสะอาดก็เลยนะช่วยเขาโดยการทิ้งขยะเป็นที่ตั้งที่ถ้าทิ้งข้างทางกินเสร็จนะดื่มน้ำเสร็จดูดนมกล่องเสร็จทิ้งไปเลยนี่ มันสบายกว่าแต่เป็นเพราะเราคิดถึงคนอื่นไงเราจึงเอาไปทิ้งเป็นที่นะหรือการปิดไฟเนี่ยบางทีเราก็เห็นไฟมันเปิดอยู่ที่ห้องน้ําหรือที่ห้องที่โลงเราก็อุตส่าห์เดินไปแทนที่เราจะเดินแทนที่เราจะกลับบ้านเลยเราก็เดินไปที่ห้องน้ำํำนะ เพื่อที่จะปิดสวิตไฟปิดไฟเรายอมเสียเวลาเพื่ออะไรนะก็เพื่อส่วนรวมเรื่อจะเป็นเพราะว่าเราอยากช่วยนะพนักงานนะที่เขาดูแลสถานที่นั้นไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งกับการเดินตามปิดไฟอธิพัทธเราเนี่ยเป็นระเบียบนะมันก็เพราะผู้คนจำนวนมากเนี่ยคิดถึงแต่คิดถึง ผู้อื่นด้วยนะไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองแล่สุดท้ายก็เป็นประโยชน์กับตัวเรานะเพราะว่าพ อ, อสถานที่มันสะอาดหมดจดเนี่ยมันก็สบายหูสบายตาหน้าอยู่แต่ว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนมากกว่า น, นั้นนะในการดำเนินชีวิตประจำวันเราควรจะคิดถึงผู้อื่น มองไปที่ประโยชน์ของคนอื่นก่อนตัวเองแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะไปทั่วคนอื่นต้องกลับมามองที่ตัวเองก่อนไม่เหมือนกันนะไอ้ยามปกติเนี่ยนะเรามองไปที่คนอื่นก่อนนึกถึงประโยชน์คนอื่นก่อนประโยชน์ตัวเองเนี่เอาไวท้ทีหลังแต่ว่าเวลามีปัญหา เราควรมองไปที่ตัวเองก่อนที่จะไปทั่วคนอื่นอย่างชายตาบอดเนี่ยพอมีคนมาชนเนี่ยแกก็ว่าชายคนนั้นเลยทีเดียวว่าตาบอดหรืรองไงนะมาชนเขาแต่เขาไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาถูกชนเนี่ยเป็นเพราะว่าโคของเขานี่มันดับไปแล้วชายคนนั้นก็เลยมองไม่เห็น แต่ชายตาบอดจะรู้ได้ยังไงว่าโครงของตัวเองเนี่ยดับไปแล้วอันนี้เหมือนกับเป็นสอนเป็นไหนนะว่าคนที่โทษคนอื่นเนี่ยแทนที่จะมองมาที่ตัวเองเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนคนตาบอดคือไม่ไม่มองไม่เห็นความบกพร่องความผิดพลาดงตัวเองอันนี้กร็รวมถึงคนตาดีด้วยนะ คนตาดีเนี่ยถ้าว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไปโทษคนอื่นแต่มองไม่เห็นความบกพร่องความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยก็ไม่แต่จากคนตาบอดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยในยาปกตินะเราควรนึกถึงผู้อื่นมองไปที่คนอื่นก่อนแต่เวลามีปัญหานี่ควรจะกลับมามองที่ตัวเองก่อนที่จะไปโทษคนอื่น อันนี้จะเรียกว่าเป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมก็ได้นะจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นวิสัยของผู้ฝ่ธรรมซึ่งต่างจากวิสัยของคนชาวโลกทั่วทไปชาวโลกทั่วไปนี่เขามองตัวเองก่อนเขามองถึงประโยชน์ตัวเองก่อนคิดถึงตัวเองก่อนส่วนคนอื่นประโยชน์สวงคนอื่นเอาไวท้ทีหลัง แต่เวลามีปัญหาขึ้นมาก็โทษคนอื่นก่อนเลยแทนที่จะกลับมามองที่ตัวเองบ่อยครั้งเนี่ยเวลางานมีปัญหาเนี่ยเราจะเห็นนะครับคนก็จะไปโทษคนน่้นคนนี้ว่าเป็นเหตุทำให้งานมีปัญหาทำให้งานตัวมีปัญหาเจ้านายไม่ดีเพื่อโรงงานไม่ได้เรื่องบางทีก็โทษตินฟ้าอากาศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มองคือ ความผิดพลาดของตัวเอง เ, อเวลานัดเพื่อนนะนัดเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดตามเวลาก็โกรธเพื่อนพอเจอเพื่อนก็ไปด่าเพื่อนเลยว่าทำไมนัดเนี่ยสี่โมงเย็นทำไมไม่มาอุตส่าห์รอเพื่อนบอกอะจะไปรู้นึ่งว่านัดสี่โมงเช้าเนี่ย ผมก็อุตส่าห์ไปรอเนี่ยตั้งแต่สี่โมงเช้าคือสิบโมงปรากฏว่าไอ้คนนันเนี่ยนะพูดพูดบอกเวลาไม่ละเอียดนะแทนที่จะบอกว่าสี่โมงเย็นก็ไปพูดว่าสี่โมงเพื่อนก็เลยนื้ว่าสี่โมงเช้าเป็นความผิดพลาคของคนนัทแท้แต่ว่าก็ไปด่าเพื่อนซะแล้วนะตัวเองเนี่ยพูดไม่ไม่ไม่ละเอียด นะก็ไปโทษเพื่อนวันนียเพื่อนมารับผิดชอบเพื่อนแนะม่เอาใจใส่อันนี้เรียกว่าไปโทษคนนึงก่อนที่จะมามองที่ตัวเองถ้าใจดีก็ควรจะถามแล้วก่อนว่าทำไมถึงมาถึงไม่มาตามนัดนะพอรู้ข่าวมริบางเพื่อก็จะพบว่าเออเป็นเป็นพราะเราผิดเองนะเราพูดไม่รัดกลุ่มเพียงพอนะ ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเวลามีความผิดพลาดเวลาเวล า, เวลามีปัญหานะในงานการเวลามีความทุกข์กเหมือนกันนะเวลามีความทุกข์เนี่ยก่อนที่จะไปโทษใครนต้องกลับมามองที่ตัวเองก่อนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลามีความทุกข์เนี่ยไปโทษข้างนอกไปโทษเสียงดังจากข้างนอกไปโทษ การกระทําของคนนั้นคนนี้แต่ลืมหรือไม่ได้กลับมามองที่ตัวเองว่าเนี่ยเป็นที่เราหรือเปล่าเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยนะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันรว้แล้วแต่อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทุกกายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะของแหลมาแทงอาจจเป็นพ่อเชื้อโรคพราะอาหารเป็นพิษ หรือพ่อมีคนมาทำ้ายแต่ถ้าทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันแรกจะเกิดจากตัวเองหรือใจของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยทีเดียวเมื่อรักษาสึกปีก่อนหลวงพ่อชาเนี่ยท่านด้รนิมมนให้มาแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษนะตอนนั้นเนี่ยท่านก็มากับลูกศิษย์ที่เป็น พ, พระฝรั่งเนี่ยเช่นหลวงพ่อสุมเมโทโธ ซึ่งตอนนั้นยังยังไม่ได้สร้างวัดอัมรวดีเที่ยงกรีเจ้าภาพก็ให้หลวงพ่อชากับลูกศิษย์เนี่ยพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนย่านนั้นเนี่ยมันมีสถานบันเทิงเช่นผับบาร์กลางคืนเนี่ยก็จะมีเสียงดนตรีนะสมัยนั้นดิสโก้เนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมเนยเพราะนั้นเนี่ย เสียงดังเนี่ยมันก็จะกระหึมเลยนะกลางคืนเนี่ยมาถึงวิหารแฮมสเตดนะที่หลวงพ่อชาและลูกศิษย์พักซึ่งก็พอดีเป็นช่วงที่ท่านพาคนนั่งสมาธิพาละยมหลายคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยนะเพราะเสียงดนตรีมันมันดังแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสมาธิอย่างสงบเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลย จนกระทั่งนั่งสมาธิเสร็จนะก็มีโยมชืเเ่เป็นฝรั่งเนเป็นเจ้าภาพนะก็มาหาท่านแล้วก็บอกขอโทษนะที่เสียงดนตรีรบกวนนะการนั่งสมาธิหลวงปร่ช า, านั่นฝังแล้วก็ยิ้มนะแล้วท่านก็พูดเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีนะบางคนฟังแล้วก็งงนะ แต่จริงที่นมันนมันเป็นสัจธรรมเลยนะที่คนเนี่ยมีความทุกข์หงุดหงิดนะเมื่อเสียงมากระทบหูเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เป็นเพราะใจเนี่ยมันไปทะเลาะกับเสียงนั้นใจมันไปต่อสู้นะมันไปทะเลาะบกแวงกับเสียงนั้นมันไปผลักใสเสียงนั้นถ้าเพียงแต่ยอมรับเสียงนั้นเนี่ยมันก็ไม่หงุดหงิดนะ แต่พอใจไปทะเลาะ ก, กับเสียงเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นว่าเป็นเสียงดังเสียงรบกวนพอใจรสึกเป็นลบนี่นะมันหงุดหงิดขึ้นมาเลยไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยจนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเนี่ยมันเป็นเพราะใจของคนฟังที่วางวางใจไม่ถูกต้องต่อเสียงถ้าหากว่าเพียงแต่รู้สึกเป็นกลาง มันก็ไม่ทุกข์กันนะมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติอยู่ที่สำนักหรือวัดแห่งหนึ่งนะก็ค้างคืนประมาณสองสาคืนอนคืนแรกเลยนะกับพักเสร็จเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าวาาก็ถามว่าเป็นไงหลับดีมะชายคนนั้นก็บอกว่าหลับไม่ค่อยดีนะ หรื ว, ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพราะว่าเสียงหาเนี่ยมันดังเสียงหามันดังนะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงแรกนะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ว่าตัวเนี่ยพกโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีการอัดเทปคําบรรยายธรรมะของครูบาอาจารย์หลายท่าน ก็เลยนะเอาหูฟังเนี่ยนะใส่ไปในหูแล้วก็ฟังเปิดเทพธรรมะเปิดคำบรรยายครูบาอาจารย์จนกระทั่งหลับได้กระทั่งเช้าเนี่ยก็เป็นอันว่าได้ได้พักได้หลับดีหน่อยนะช่วงครึ่งหลัง สิ่งที่น่าสนใจคือว่าระหว่างเสียงเสียงห่านกับเสียงบรรยายเนี่ยอะไรดังกว่ากันอักชายคนนบอกว่าเนี่ยหลับไม่ได้เพราะว่าเสียงห่านมันดังแต่เสียงบรรยายเนี่ยที่ฟังเนี่ยนะมันไม่ดังหรือนะที่จริงมันดังกว่าเสียงห่านนะเพราะว่าเอาหูฟังใส่ใส่ก็เป็นในรูหูเนี่ยนะยังไงมันดังกว่าเสียงห่านอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมหลับนะ นะก็เพราะใจเนี่ยมันยอมรับเสียงบรรยายธรรมะหรือว่ารู้สึกดีกับเสียงนั้นขณะที่เสียงหาเนี่ยใจเนี่ยมันมองว่าเป็นเสียงรบ ก, กวนะการที่ใจเนี่ยไปตีค่าว่าเสียงเสียงหาเป็นเสียงรบ ก, กวนมันก็ทําให้เกิดอาการต่อสู้ผักสายกับเสียงนั้นอย่างที่หลวงพ่อชาใช่ไหมเนี่ยไปทะเลาะกับเสียง ส่วนเสียงบรรยายธรรมะที่ฟังทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยใจมันยอมรับใจมันรู้สึกเป็นบวกนะเลยไม่รู้สึกว่าดังทั้งที่เขาพูดถึงเดซิแบลแล้วมันดังกว่าอยู่แล้วแหละก็เสียงหานแล้วก็เลยเป็นอันหลับได้นะยันที่หลับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงดังนะไม่ใช่ว่าเสียงหานนะแต่แปลว่าใจเนี่ยมันไปทะเลาะ ก, กับเสียงหาน ในะที่เสียงบรรยายเนี่ยใจไม่ได้ทะเลาะใจก็เคลิมคล้อยไปกับเสียงบรรยายทำเลยหลับนะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยเวลามีความทุกเนี่ยทุกใจเนี่ยเรามักโทษข้างนอกโทษเสียงดนตรีโทษเสียงหานโทษคนนั้นคนนี้แต่นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้กลับมาดูใจของเราเนะ เมื่อได้กลับมาสังเกตปฏิกิริยาของใจเราแล้วถ้าเร า, ากลับมาสังเกตกจะพบว่าเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเราต่างหากนะที่เป็นตัวการทําให้เกิดทุกข์นั่นกิดว่าเราเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยหรือมีปัญหาขึ้นมาในใจเนี่ยแล้วเราไปมองไปนอกตัวเนี่ยไม่กลับมามองที่ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใต่าชายตาบอดนะที่ไป บอกว่าคนที่มาชนตัวเองทั้งที่โคมที่ตัวเองถือเนี่ยไฟมันดับไปนานแล้วแต่มองไม่เห็ น, นวิธีทำกับวิธีโลมันต่างกันนะวิธีโลเนี่ยมีปัญหาอะไรก็โทษคนอื่นแต่เวลาสบายๆก็คิดถึงแต่ตัวเองส่วนวิธีทำเนี่ยนะเวลาสบายๆเวลาปกติก็นึกถึงคนอื่นแต่เวลามีปัญหาก็กลับมามองที่ตัวเองก่อน ไอ้จริงถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมันก็มันสะท้อนให้เห็นนะว่าวิธีโลกเนี่ยนะเขาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจัดการกับภายนอกแต่ว่าวิธีทำเนี่ยนะหรือวิธีของผู้ฝ่ายทำเนี่ยจะเน้นที่การนะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองโดยเพราะการปรับเปลี่ยนใจของตัว เวลามีความทุกข์เนี่ยเาก็ลองปรับเปลี่ยนใจเมือกบผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหนะ้าที่เขานั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเป็นประจำแล้วเขาก็นั่งได้ดีด้วยแต่วันหนึ่งเนี่ยน ะ, ะบอกว่าพอนั่งไปได้สักครู่หนึ่งเนี่ยปรากฏมันมีเสียงค้อนดัง ทีแรกก็เสียงค้อนนะต่อหลังก็เสียงเลื่อยยนเพราะมีการก่อสร้างไกล้ๆตอนที่เสียงค้อนเสียงเลื่อยยนมาก็ทบหูนี่ใจก็กระเพื่อเลยนะแราเขามีสติเห็นสติรู้ทันนะพอมีสติรู้ทันใจก็สงบแต่พอเผลอเนี่ยใจก็กระเพื่อมทุกครั้งที่เสียงเลื่อยยนนี่มันดังกระทบหูแล้วก็สงบลงพอมีสติรู้ทันเป็นอย่างนี้พักหนึ่งนะ เขาก็เลยลองเนี่ยไปพิจารณาที่เสียงเสียงรืวยยนเนี่ยพอพิจารณาไปก็สังเกตเออมันมีบางครั้งมันก็กระฉา ก, กระชันบางครั้งมันก็หลักยาวบางครั้งเสียงสูงบางครั้งเสียงต่าบางครั้งเสียงดังบางครั้งเสียงเบาดูๆไปแล้วมันเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะเพลงประเภทเทปวิเมทัลนะพอทันทีที่มองว่ามันเป็นเสียงเพลงนะ ใจก็สงบเลยสงบไปเพ่ว่าเพลินเลยนะที่จริงเพลิมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็อดฉุกคิดไม่ได้นะเอ๊ะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ใจยังกับเพิ่มพื่อนกับเพิ่มลงแถมมีความหงุดหงิดด้วยตอนนี้ทำไมใจมันสงบมีบางช่วงเสียงเรื่อยๆมันหายไปเขาอยาให้เสียงมันดังกลับมาใหม่เอ้ยเะไแปลกใจทีแรกเราอยากเสียงมันดับไป หายไปแต่ทาไมตอนที่หายเสียงมันดังใหม่เสียงมันก็ดังๆังเหมือนเดิมนะแต่ทาไมความรู้สึกเปลี่ยนไปมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นเสียงดังอีกต่อไปนะแต่มองว่ามันเป็นเสียงเพลงพอมอเป็นเสียงเพลงเนี่ยความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกในทางบวกนะใจก็สงบเลย อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าความสงบเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะมากกว่าอยู่ที่สิ่งภายนอกและที่หงุดหงิดที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเพราะใจนะใจรู้สึกลบกับเสียงมันก็กระเพื่อมมันก็หงุดหงิดไม่สงบไม่เป็นสุขแต่พอใจรู้สึกเป็นบวกนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ดังแทนที่จะไปตะโกนบอกเวว่าให้หยุดส่งเสียงนะให้เลิกตอกตะปูให้เลิกใช้เลื่อยนเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่านะให้กลับมาดูที่ใจของเรากลับมาสังเกตที่ใจของเราหรือกลับมาปรับใจของเรา ใ, ใจของเราเนี่ยเป็นปัญหา น, นี้ ค, คล้ายๆกับเมื่อเมื่อสองสาวันก่อนนะมีภาพรูปนึ่งเล่าให้ฟังนะดินเสียงเนี่ยตอนชชเช้าๆในที่วัดเนี่ยตอนสายๆเนี่ยวันกรรมกรเนี่ย มันมีเสียงเสียงเครื่องยนต์นะดังตอนนั้นเน่ยก็ขึ้นว่าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะทันทีที่ขึ้นมาเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะไม่พอใจขึ้นมาทันทีเลยมันมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรวัดตรงนี้ในวัดเนี่ยแต่สักประเดี๋ยวเดียวในฉุกคิดขึ้นมาว่านี่มันอาจจะไม่ใช่เสียงมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะอาจจะเป็นเสียงเลื่อยนะเลื่อยที่เขากําลังตัดไม้ที่โคนเพราะว่าก่อนนั้นนั้นเนี่ยมันมีไม้โคน ทันทีที่นึกว่ามันเป็นเสียงเลื่อยที่ใช้ตัดไม้ที่ล้มลงนะใจมันสงบเลยนะน้กลับอนุโมทนาด้วยนะเออเขาช่วยกันทำงานนะเสียงก็เสียงเดิมนะแต่ทำไมทีแรกเนี่ยหงุดหงิดนะเพราะไปเชื่อเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วคิดต่อไปว่ามันมาขี่อะไรแถวนี้นะในวัดแต่พอเม้ามันเป็นเสียงเลื่อยนะที่ใช้เลื่อยไม้ ที่ล้มเนี่ยความรูสึกมันเปลี่ยนไปนะมันมีเพราะมันเกิดความรสึกเออเขากลาลังทําหน้าที่ของเขาอารมณหรือทุกเนี่ยอยู่ที่ใจแท้ๆเลยนะญหงุดหงิดหรือว่าสงบเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่เสียงอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรนั่นแหลเราเข้าใจตรงนี้ยสังเกตใจของเราเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยจะไปแก้ทุกเนี่ยที่ใจเนี่ยจะไปแก้ทุกก็แก้ที่ใจนี่แหละไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะ เป็นเพราะใจเราวางไว้ผิดนะมันจึงทุกข์มันจึงเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญนะแต่พอเราปรับใจเปลี่ยนมุมมองนะมันก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปคำนี้พูดตอนนี้นะ